พระพุทธศาสนานี้เป็นเหมือนกระจกสองหน้าถ้าเราไม่มีกระจกสองหน้าเราก็จะไม่รู้ว่าหน้าตาของเราเป็นอย่างไรเราก็อาจจะคิดว่าหน้าตาของเราเหมือนกับหน้าตาของคนอื่นพะเราไม่เคยเห็นหน้าตาของเราเอง แต่ถ้าเรามีกระจกสองหน้าเราก็จะรู้ว่าหน้าตาของเราเป็นอย่างไรทันใดพระพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนกับกระจกสองกระจกสองหน้าสองตัวเราให้เรารู้ว่าตัวเหานี้เป็นใครเป็นอะไรถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนา เราก็จะคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราแต่ถ้าเรามีพระพุทธศาสนาเราก็จะรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเราก็คือใจคือผู้รู้ผู้คิดส่วนร่างกายนี้เป็นเพียงผู้รับใช้ผู้รู้ผู้คิดผู้รู้ผู้คิดนี้เป็นนาย ร่างกายนี้เป็นบ่าวร่างกายต้องรอรับคาสั่งของผู้รู้ผู้คิดก่อนถึงจะทำอะไรได้และเวลาทำอะไรไปแล้วผู้ที่รับผลก็คือผู้รู้ผู้คิดนี่เองไม่ใช่ร่างกายร่างกายได้รับก็เป็นผลพลอยได้เป็นผลส่วนย่อย ไม่สำคัญอะไรเพราะส่วนที่สำคัญอยู่ที่ผู้รับผู้รู้ผู้คิดเวลาคิดอะไรแล้วสั่งให้ร่างกายทาไปก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีขึ้นมาหรือความรู้สึกกลางกลางถ้าคิดดี เราสั่งให้ร่างกายพูดดีทดําดีก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาถ้าคิดไม่ดีแล้วสั่งให้ร่างกายพูดไม่ดีทําไม่ดีก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่คือสิ่งที่พระพุทธศาสนาจะทําให้เรามองเห็น ทำให้เรารู้ว่าการกระทาของเรานี้เป็นการสร้างความสุขหรือสร้างความทุกข์ให้แก่เราถ้าเราไม่รู้เราก็จะทำไปตามความรู้สึกนึกคิดของเราซึ่งความรู้สึกนึกคิดของเรานี้มักจะ ทำให้เราได้รับความทุกข์มากกว่าได้รับความสุขแต่ถ้าเรามีพระพุทธศาสนาให้เรามองเห็นการกระทำของเราเห็นผลของการกระทำของเราเราก็จะได้รู้จากวิธีที่จะ สร้างความสุขให้กับใจของเราและรู้จักวิธีที่จะดับความไม่สบายใจของเราพระพุทธศาสนาจึงมีคุณมีประโยชน์มากสำหรับเราเหมือนกับร่างกายของเราก็ต้องอาศัยกระจก ไว้เป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นความจริงของร่างกายว่าตอนนี้หน้าตาเราเป็นอย่างไรถ้าเราไม่มีกระจกสองหน้าเราก็จะไม่รู้ว่าหน้าตาของเราตอนนี้สะอาดหรือไม่สะอาดสวยหรือไม่สวยถ้ามีกระจกเราก็จะเห็นถ้าไม่สะอาด เราก็จะได้ทำให้สะอาดได้ถ้าไม่สวยเราก็จะทำให้สวยได้ทันใดถ้าเรามีพระพุทธศาสนาไว้ส่องตัวเราคือใจของเราเราก็จะได้รู้ว่าใจของเรานี่เป็นตัวของเรา เราจะได้รู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวของเราเราจะได้รู้ว่าความสุขของเราเน้เกิดจากความคิดแบบไหนเกิดจากการพูดการกระทำแบบไหนความทุกข์ของเราเกิดจากความคิดแบบไหนเกิดจากการพูดการกระทำแบบไหนเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะได้ คิดและพูดและทำในแบบที่จะทำให้เรามีความสุขเราก็จะยุติการคิดการพูดการกระทำแบบที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่คือพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนา เราก็จะคิดไปในทางที่ผิดแล้วก็ผลิตความทุกข์ให้กับเราอย่างที่เราได้สัมผัสกันอยู่มาตลอดแต่พอเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วน้อมแนาเอาคำสอนของพระพุทธศาสนามาปฏิบัติ เราก็จะได้ผลิตความสุขและได้ระ ง, งับการผลิตความทุกข์นี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนากับตัวเรามีความสำคัญกับตัวเราอย่างมากถ้าเรามีพระพุทธศาสนา แล้วเราสามารถปฏิบัติตามคำคำสอนของพระพุทธศาสนาได้เราก็จะผลิตแต่ความสุขเราจะไม่ผลิตความทุกข์ให้กับเราชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนา หรือมีแต่ไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธศาสนาเราก็จะเป็นเหมือนอย่างที่เราเป็นมาเคยเป็นมาก็คือเราก็จะผลิตความทุกข์ออกมาเรื่อยๆความสุขนานๆก็จะผลิตออกมาแต่ก็เป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมา ไม่ได้เป็นความสุขร่วนๆความสุขที่บริสุทธิ์แต่เป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาเหมือนกับยาขมเคลือบน้ำตาลไม่หวานอย่างเดียวหวานเพียงเดียวเดียวหวานในระยะแรกๆเวลาอมอยาขมเคลือบน้ำตาลนี้เวลาอมก็ไปใหม่ๆจะหวาน พอน้ำตาลที่เคลือบนั้นละลายไปหมดก็จะเหลือแต่ความขมกันได้ความสุขที่พวกเราผลิตกันออกมานี้ก็เป็นแบบนั้นเป็นความสุขที่เคลือบความทุกข์เอาไว้พอความสุขที่เราได้สัมผัสรับรู้จางหายไปก็จะเหลือแต่ความทุกข์ให้เรา ได้สัมผัสแต่ถ้าเราได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธศาสนาเราก็จะได้แต่ความสุขในเบื้องต้นอาจจะมีความทุกข์บ้างในการปฏิบัติตามคำสอนเพราะว่าเป็นการกระทำที่ขัดกับนิสัย กับความถนัดจึงเลยทําให้รู้สึกว่าเป็นความทุกข์ยากลําบากแต่พอปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วความทุกข์ยากลําบากความรู้สึกไม่ถนัดนี้ก็จะค่อยๆหายไปจะจะเกิดความถนัดขึ้นมาเกิดความชํานาญขึ้นมาแล้วก็จะไม่รู้สึก ยากลำบากแต่อย่างใดแล้วก็จะมีแต่ความสุขที่จะได้รับจากการปฏิบัติตามที่พระพุทธศาสนาสอนให้ปฏิบัติกันนี่คือความสุขที่เคลือบด้วยความทุกข์แต่ก็เป็นความทุกข์บาง พอเราเหมือนกับเราอมขนมที่เคลือบด้วยยาขมเวลาอมใหม่ๆก็รู้สึกขมแต่พอความขมนั้นละลายไปแล้วก็จะเหลือแต่ความหวานจะเอาอย่างไหนจะเอายาขมเคลือบน้ําตาลหรือจะเอาน้ําตาลเคลือบยาขมจะเอาสุขต้นแล้วทุกปลาย โดยจะเอาทุกต้นแล้วสุขปลายนี่คือคำถามที่พวกเราจะต้องตอบตัวเราเองให้ได้เพราะนี่คือทางของพระพุทธศาสนาทางของพระพุทธศาสนานี้เป็นทางที่ที่ยากลำบากในเบื้องต้นแต่จะสุขจะสบายในบ้านปลาย ทางของเราที่เราดำเนินกันอยู่นี้เป็นทางที่สุขในเบื้องต้นแล้วก็จะทุกข์ในบ้านปลายกันนี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากการที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาทำให้เรามีทางเลือก เมื่อก่อนนี้เราไม่มีทางเลือกเราคิดว่าทางของเราคือทางแห่งการหาความสุขผ่านทางร่างกายนี้เป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เรามีความสุขกันที่จะทำให้เราดับความทุกข์ต่างๆภายในใจของเราได้แต่เราก็ทำมานานพอสมควรแล้ว ตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้เรายังดับความทุกข์ภายในใจของเราให้หมดไปได้หรือเปล่าเราหาความสุขที่ถาวรที่ไม่สูญไปไม่หมดไปได้หรือเปล่าถ้าเราหาผ่านทางร่างกายเราจะไม่มีวันที่จะพบได้ถ้าเราไม่หาผ่านทางพระพุทธศาสนา อ่านคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ได้พบความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวรพบการดับทุกข์ที่ถาวรแล้วจึงได้นําเอามาเผยแผ่มาสั่งสอนให้แก่พวกเราถ้าพวกเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้า เราก็จะไม่ปฏิบัติตามเมื่อเราไม่ปฏิบัติตามเราก็จะไม่ได้พบกับความสุขของที่พระพุทธเจ้าได้ส่งพบไม่ได้พบกับความดับทุกข์ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งพบเราก็จะพบกับความสุขการดับทุกข์ที่เราพบกันอยู่ทุกวันนี้คือเป็นความสุขชั่วคราว เป็นการดับความทุกข์ชั่วคราวแล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับมาหาความสุขใหม่มาดับความทุกข์ใหม่เช่นเวลา ม, มีความทุกข์ใจไม่สบายใจเราก็หาวิธีดับความทุกข์ด้วยการไปหาความสุขในรูปแบบต่างๆไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ไปดูภาพยนตร์ harmonic, ไปดูละครไปฟังเพลงไปฟังอะไรต่างๆเพื่อที่ให <l Jean> no ้ทำให้เราลืมเรื่องของความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราเวลาเราได้ไปทำสิ่งเหล่านี้เราก็มีความสุขสนานมีความคื้นเคลิงคื้นเคพิง พอเราหยุดเรากลับมาบ้านความสุขที่เราได้จากการไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานไปเที่ยวก็จะหมดไปความทุกเดิมที่ที่เรามีอยู่มันก็จะโผล่กลับขึ้นมาใหม่เช่นความทุกเกี่ยวกับคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ มันไม่ได้ดับไปกับการที่เราไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆมันเพียงถูกกลบเอาไว้เท่านั้นเองพอเราหยุดหาความสุขจากสิ่งต่างๆแล้วความทุกข์เดิมมันก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่นี่คือวิธีการหาความสุขดับความทุกข์ของพวกเรา แต่ถ้าเราได้พบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้พบกับวิธีหาความสุขดับความทุกข์อีกวิธีหนึ่งเวลาที่เรามีความทุกข์ใจเราก็มาทาบุญกันทาทานกันรักษาศีลกัน ภาวนากันอันนี้ก็จะทําให้เราสามารถดับความทุกข์ใจได้สามารถทําให้เรามีความสุขใจได้และจะเป็นความสุขที่ยั่งยืนถาวรและเป็นการดับความทุกข์ที่ยั่งยืนและถาวร น, นี่คือทางสองทาง ที่เราได้มาพบมารับรู้อยู่ที่เราว่าเราจะเลือกทางไหนจะเราจะเลือกทางโลกทางร่างกายคือทางหาความสุขหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมกูกเล่นกายหรือเราจะหาความสุข จากการทำทานจากการรักษาศีลจากการภาวนาพระพุทธเจ้าได้ส่งเลือกทางแห่งการทำทานทางแห่งการรักษาศีลทางแห่งการภาวนาจึงได้พบกับปรมังสุขังได้พบกับความสุขที่ถาวรได้ดับความทุกข์ทั้งหลาย ที่มีภายในใจจนหมดสิ้นไปส่วนทางที่พวกเรากำลังไปกันอยู่นี้เป็นทางที่ได้ความสุขชั่วคราวได้ดับความทุกข์ชั่วคราวเป็นทางที่เราต้องคอยหาความสุขมาเติมอยู่เรื่อยๆเป็นทางที่เราต้องคอยมาดับความทุกข์อยู่เรื่อย หาเท่าไหร่ก็จะไม่มีวันอยู่กับเราไปได้อย่างถาวรดับความทุกข์มากน้อยเพียงไรมันก็จะไม่ได้ดับได้อย่างถาวรมันก็จะมีโผล่ขึ้นมาให้เราดับอยู่เรื่อยๆนี่คือทางที่พวกเราทั้งหลายกําลังเดินกันอยู่ถ้าเราเปลี่ยนทางเดินจากการหาความสุข ดับความทุกข์ด้วยการหาราบยศจะร่เสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายแล้วมาหาความสุขจากการทําทานจากการรักษาศีลจากการภาวนาเราก็จะได้รับความสุขที่พระพุทธเจ้าได้ทสงได้รับและได้ดับความทุกข์ แบบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดับอันนี้อยู่ที่ตัวเราว่าเราจะเลือกเดินทางไหนไม่มีใครตัดสินใจให้เราได้เราต้องเป็นผู้ตัดสินใจกันเองเวลาที่จะเลือกนี่แหละเป็นเวลาที่ทุกทรมานใจที่สุดจะไปทางไหนดี จะเอาพี่หรือเอาน้องดีใจหนึ่งก็รักพี่อีกใจหนึ่งก็เสียดายน้องแต่จะเอาทั้งพี่ทั้งน้องนี่ไม่ได้จะต้องเลือกเอาคนใดคนหนึ่งถ้าจะเอาพี่ก็ต้องทิ้งน้องถ้าจะเอาน้องก็ต้องทิ้งพี่ถ้าจะเอาทางโลกทางลาบยศสารเสริญสุขก็ต้องทิ้งทางทานชิน ภนะาวนาเจจะเอาทางของทานศีลภาวนาก็ต้องทิ้งทางลาบยศสรละเสริสุขถ้าเอาทั้งสองอย่างมันก็จะได้ไม่ได้อะไรทั้งสองอย่างแบบจับปลาสองมือถ้าจาับปลาสองมือนี้ปลามันก็จะเด่นดุดได้ ก็จับปลาสองตัวด้วยมือมือสองมือนี้มันจะไม่มั่นกว่าจับปลาตัวเดียวด้วยมือสองมือถ้าจับปลาตัวเดียวด้วยมือสองมือมันจะอย่างน้อยมันมั่นใจจับได้แน่แต่ถ้าจะเอาทั้งสองตัวก็ต้องใช้สองมือแยกจับกันมือหนึ่งจับอีกตัวหนึ่งอีกมือหนึ่งจับอีกตัวหนึ่งปลามันก็ลื่นมันก็เิ่นหลุดไปได้แต่ถ้าเรา เอาตัวเดียวจับด้วยสองมือมันก็จะอยู่ถ้าเราจะเอาทางโลกเราก็ไปทางโลกได้เราก็จะเจริญรุ่งเรืองได้เป็นนายกก็เป็นได้เป็นรัฐมนตรีก็เป็นได้เป็นมหาการสัตย์เป็นมหาจักรพรรดิก็เป็นได้แต่มันเป็นทางที่ได้ผลชั่วคราวเท่านั้นเองได้ความสุขชั่วคราวดับความทุกข์ชั่วคราว ถ้าเราไปทางทานศีลภาวนาเราก็จะได้ความสุขที่ถาวรได้การดับทุกข์ที่ถาวรพระพุทธเจ้าตอนที่ประสูตรก็มีโขนมาทำนายทางเดินของพระพุทธเจ้าว่ามีอยู่สองทางเช่นเดียวกันถ้าเลือกจะเดินทางราบยศสรรเสริญสุขก็จะได้ถึงระดับมหาจักรพัท ถ้าเลือกทางเดินของนักบวชคือทางของทานศีลภาวนาก็จะได้บรรลุตัรลุเป็นพระอาหารหันตตะส ม, มาสัมพุทธเจ้าเป็นบรมมัสสดาเป็นที่พึ่งแก่ตา์โลกทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็ทรงเลือกทางทานศีลภาวนาตอนที่มีอายุยี่สิบเก้า พรรษาทรงใช้เวลาเลือกตัดสินใจอยู่ยี่สิบเก้าปีด้วยกันจนในที่สุดก็ต้องเลือกทางของทานศีลภาวนาเพราะเป็นทางที่ถูกทางที่นำไปสู่การดับทุกข์อย่างถาวรทางที่นำไปสู่ความสุขที่ถาวรทางของมหาจากักรพรร ทางแห่งราบยศสรรเสริญสุขนี้เป็นทางของความสุขชั่วคราวเป็นทางของการดับความทุกข์ชั่วคราวองจึงส่งตัดสินพระไทยเลือกทางเดินของนักบวนพออายุได้ยี่สิบเก้าพันปาพอได้รับข่าวว่าพระมเหสีได้คลอดพระราชจรสออกมาก็ส่ง ต้องตัดสินพระไทยเพราะถ้าอยู่ต่อไปก็จะไม่มีกำลังใจที่จะออกไปได้เพราะความผูกพันกับพระราชโอรสทรงตัดว่าพระราชโอรสนี้เป็นเหมือนบ่วงทรงตัดว่าราหุนราหุนนี้แปลว่าบ่วง พระราชโอรสจึงได้รับพระราชนามว่าราหุลตั้งแต่นั้นมาพอทราบว่ามีบ่วงเกิดขึ้นแล้วกวางที่ฉลาดก็ต้องหนีออกจากบ่วงก่อนที่บ่วงจะมารัดคอก็คงต้องเสด็จออกจากพระราชวังในคืนนั้นเลยไม่เข้าไปใกล้บ่วงไม่ ไม่แวะไปดูพระราชโอรสเพราะถ้าเข้าไปใกล้บ่วงเดี๋ยวเดี๋ยวจะถูกบ่วงรัดคอเอาแล้วจะไปไม่ได้นี่คือการตัดสินพระทัยของพระพุทธเจ้าพวกเราก็ต้องตัดสินใจแบบเดียวกันว่าเราจะเอาทางไหนกันเราจะเอาทางโลกทางราบยศเสรเสริญสุข หรือเราจะเอาทางธ ร, รมทางแห่งทานศีลภาวนาเวลาที่จะต้องเลือกนี่แหละเป็นเวลาที่ทรมานใจที่สุดแล้วก็เป็นเวลาที่สุขที่สุดเวลาที่ได้ตัดสินใจแล้วพ อ, อตอนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจนี่เหมือนตกนระกทั้งเป็น แต่พอได้ตัดสินใจแล้วก็เหมือนยกนรกออกจากออกไปความทุกข์ความสับสนที่มีอยู่ในใจนี้หายไปหมดพอได้ตัดสินใจจะเลือกเอาทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะถ้าได้เลือกทางที่ถูกถ้าเลือกทางที่ไม่ถูกมันจะระงับได้เพียงไม่หมด เช่นถ้าเลือกไปทางโลกนี้มันยังจะมีอะไรค้างคาใจอยู่มันยังจะไม่รู้สึกโล่งเหมือนกับการเลือกไปในทางธรรมเพราะการเลือกไปในทางธรรมนี้มันเป็นทางเลือกที่จะปลดเปื้องความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆทั้งหลายให้หมดไปจากใจแต่การเลือกไปทางโลกนี้มันเพียงระงับการสับสน ความไ ม, ไม่แน่ใจว่าจะไปทางไหนเท่านั้นแต่พอเลือกไปทางโลกมันก็จะต้องไ ป, ปเผชิญกับความวุ่นวายต่างๆที่จะต้องตามมาต่อไปนี่คือเรื่องของพวกเรากับพระพุทธศาสนาเราได้เดินมาทางมาถึงขีดหรือมาถึงจุดที่เราจะต้อง เลือกทางใดทางหนึ่งแล้วเราจะเอาทางไหนก็ควรจะเอามันสักทางหนึ่งมันจะได้ทำอะไรได้เป็นก่อเป็นกรรมได้ผลอย่างเต็มที่ดีกว่าเอาแบบรักพี่เสียดายน้องพี่ก็เอาน้องก็เอาปาก็อยากจะได้ทั้งสองตัวทำไปทำมาไม่ได้เลยสักตัวหนึง่งทำไปทำมาพี่ก็ไม่ได้น้องก็ไม่ได้ พอพี่รู้เข้าว่ายังรักน้องอยู่พี่ก็ไม่เอานะพอน้องรู้ว่ายังรักพี่อยู่เขาก็ไม่เอาทําไปทํามาทั้งพี่ทั้งน้องก็ทิ้งเราไปหมดไม่ได้อะไรเลยนี่ก็เช่นเดียวกันถ้าเรายังรักความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ยังอยากมีราบยศสรรเสริญอยู่แต่ก็อยากจะ ทาทานอยากจะรักษาศีลอยากจะภาวนาด้วยทําไปทำมาไม่ได้อะไรสักอย่างทางโลกก็ไม่เจริญไม่ร่ำไม่รวยไม่ใหญ่เป็นใหญ่เป็นโตเพราะไม่ได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับมันอย่างเต็มที่ทําทธรรมก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าไม่ได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับมันเช่นเดียวกันเอาอย่างละนิดอย่างละหน่อยผลก็เลยได้แบบนิดๆหน่อยๆ พอหอมปากอหอมคอแต่ไม่พอยาไส้ไม่อิ่มไม่พอนี่แหละคือปัญหาของพวกเราที่ได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาความจริงถ้าไม่ได้มาเจออาจจะดีกว่าจะได้ไม่ต้องมาดังเลใจว่าจะไปทางไหนดีอย่างคนที่เขาไม่รู้จักพระพุทธศาสนาเขาไม่เข้ามาหาพระพุทธศาสนาเขาจะได้ดุยเต็มที่เลย อยากจะได้เป็นใหญ่เป็นโตก็รวยมันเต็มที่ไปเลยเขาจะได้เได้สิ่งที่เขาอยากจะได้ถึงแม้ว่าจะเป็นความทุกข์เผาหัวใจเขาก็ตามเกิดแต่อย่างน้อยเขาก็ได้มันเป็นกอบเป็นกรรมไปแต่เขาไม่รู้ว่าเขาได้กองทุกข์กันเพราะเขาถูกความหลงมันหลอกทําให้เห็นกลับตาละปัดกัน เห็นทุกข์กลายเป็นสุขไปเห็นความสุขเล็กๆน้อยๆแต่ไม่เห็นความทุกข์ที่ติดมากับความสุขเล็กๆน้อยๆ น, นั้นคือเห็นแต่น้ําตาลที่เคลือบยาขมไม่เห็นยาขมที่ถูกเคลือบอยู่ภายใต้น้ําตาลเล่าในที่สุดชีวิตของเขาก็จะล้มเหลวชีวิตของเขาก็จะมีแต่ความทุกข์ ไม่ว่าจะเป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนจะมีราบยศสรรเสริญมากน้อยขนาดไหนก็ตามภายในใจของเขานั้นไม่มีความสุขเวลาที่เขาจะต้องจากสิ่งเหล่านั้นไปเวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่มีแต่ความทุกข์ใจที่เรียกว่าสุขต้นแล้วทุกปลายเป็นอย่างนี้ ทางแห่งลาบยศสะลรเสรินสุขเป็นทางที่สุขเบื้องต้นแล้วมาทุกข์เบื้องบ้านปลายแต่ทางแห่งทางนศีลภาวนานี้จะเป็นทางที่ทุกข์ในเบื้องต้นแล้วก็มาสุขในบ้านปลายเวลาที่พระพุทธเจ้าต้องสละราชสมบัติเวลานั้นเป็นเวลาที่มีความทุกข์ใจเป็นอย่างมากหรือเวลาใครก็ตามที่จะต้องสละ ความสุขทางโลกไปสลากาบยศสลรเสริญ ส, สุขไปเวลานั้นเป็นเวลาที่ทุกข์ใจมากคิดดูจากการที่อยู่ในวังแล้วต้องไปอยู่แบบขอทานมันเป็นความแตกต่างขนาดไหนกันอาหารที่เคยสวยแบบปาณนี้แบบพิสดารก็ต้องมาเสวยอาหารแบบขอทานที่ได้จากการบินทบาท ไม่สามารถที่จะเลือกหรือสั่งอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ได้ได้อาหารชนิดไหนมาก็ต้องเสวยมันไปตามมีตามเกิดที่อยู่อาศัยที่มีห้องบรรทมมีเตียงมีฟูกหนางามีนางสนมกำนันมาคอยขับกล่อมร้องลำทำเพลงอะไรต่างๆให้ พอเสด็จออกพระราชวังไปประทับอยู่ในป่าก็มีแต่เสียงนกเสียงกานอนตามโคนไม้บ้างนอนตามในถ้ำบ้างนอนตามเงื่อมผาบ้างนอนตามเรือนร่างบ้างแล้วแต่จะหาได้คิดดูก็แล้วกันว่ามันทุกข์หรือมันสุขกันเนี่ยแต่มันเป็นความทุกข์ที่ เราสามารถที่จะอยู่กับมันได้ในเมื่อขอทานเขาอยู่ได้ทำไมเราจะอยู่ไม่ได้เราก็ปเพียงแต่ต้องใช้เวลาปรับตัวเองเท่านั้นเองจากการที่เคยอยู่แบบหรูหราอยู่แบบสุขแบบสบายมาอยู่แบบอัตคัดขัดสนมันก็เป็นการยากลำบากในเบื้องต้นแต่พอเรา ปรับตัวเองได้แล้วมันก็จะไม่รู้สึกว่ามันอัตคัดขัดสนแต่อย่างใดอันนี้แหละที่เป็นอุปสรรคของผู้ที่มีความปรารถนาที่จะไปในทางของธรรมะคือทางแห่งทานศีลภาวนาเพราะว่ายังติดกับความสุขแบบทางโลกอยู่ ยังติดอยู่กับการบาริโภคอาหารตามใจอยากอยู่เวลาจะรับประทานอาหารแต่ละครั้งนี่ต้องเป็นคนคิดขึ้นมาก่อนว่าวันนี้จะรับประทานอาหารอะไรดีอยากจะรับประทานอาหารชนิดไหนแบบไหนก็ไปสรรหามารับประทานได้แต่พอต้องไปอยู่แบบนักบวชก็จะ ไม่สามารถที่จะสัรหาได้ก็เลยทำให้เป็นอุปสรรคต่อผู้ที่อยากจะออกบาเพ็ญแต่ยังติดอยู่กับความสุขทางโลกอยู่ดังนั้นถ้าเราปรารถนาความสุขแบบที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้รับเราก็ต้อง ตัดความสุขที่เราเคยมีอยู่ไปอย่าไปเสียดายมันเพราะว่ามันเป็นความสุขแค่ปลายลิ้นสุขแค่ขนาดที่เราได้รับประทานพอรับประทานเสร็จแล้วความสุขนั้นก็หายไปเราก็จะมีแต่ความหิวความอยากรับประทานขึ้นมาใหม่แต่ถ้าเรารับประทานแบบ ตามมีตามเกิดมีอะไรก็รับประทานรับประทานเสร็จแล้วมันก็หมดุปัญหาไปเราใจก็จะไม่ไปคิดไปอยากที่จะรับประทานมันอีกเพราะอาหารที่เรารับประทานเราไม่ได้รับประทานด้วยความอยากรับประทานเรารับประทานด้วยความจำเป็นเหมือนกับที่เรารับประทานยาเวลาเรารับประทานยาแต่ละครั้งนี้เราไม่ได้รับประทานด้วยความอยาก ดังนนพอรับประทานเข้าไปแล้วเราไม่เคยคิดอยากจะรับประทานยาอีกเลยแต่เรายังต้องรับประทานต่อไปถ้ายังโครคภัยไข้เจ็บยังไม่หายนี่แหละคือการรับประทานแบบนักบวชรับประทานกันแบบนี้รับประทานแบบรับประทานยารับประทานเพื่อที่จะรักษาร่างกายให้อยู่ได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ คเท่านั้นเองเป็นการเยียวยารักษาร่างกายไม่ได้เป็นการสร้างความสุขให้กับใจอย่างที่พวกที่ไม่ได้บวชทำกันเวลารับประทานอาหารนี้จะรับประทานอาหารด้วยจุดประสงค์สองประการด้วยกันจุดประสงค์ทางร่างกายก็คือให้ร่างกายได้มีอาหารหล่อเลี้ยง เพื่อที่จะได้ไม่หิวโหวยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยและอีกจุดประสงค์หนึ่งก็รับประทานเพื่อความสุขใจความสุขใจก็คือต้องเลือกอาหารชนิดนั้นชนิดนี้วันนี้อยากจะรับประทานอาหารแบบนี้พรุ่งนี้อยากจะรับประทานอาหารแบบนั้นถ้าเลือกแบบนี้เรียกว่าเป็นการหาความสุขให้กับใจ แต่เป็นการหาความสุขแบบหายาเสพติดก็จะต้องหาไปเรื่อยๆเวลาที่ไม่ได้ดังใจเวลานั้นก็จะไม่มีความสุขเวลาต้องไปรับประทานอาหารตามมีตามเกิดตามแบบที่เลือกไม่ได้อย่างแบบของนักบวชก็จะไม่มีความสุขจึงไม่อยากไปอยู่แบบนักบวชกันนี่คือปัญหาเช่นเดียวกับที่อยู่อาศัย เครื่องน่ห่มเป็นแบบเดียวกันทั้งนั้นความจริงปัจจัยสี่นี้มีหน้าที่ไว้ดูแลรักษาร่างกายแต่ใจนี้ถูกกิเลสเข้ามาขอมีส่วนแบ่งด้วยขอมีความสุขกับการสรรหาปัจจัยสี่ด้วยอาหารก็ต้องถูกปากถูกใจที่อยู่อาศัยก็ต้องถูกอกถูกใจเสื้อผ้า เพื่มนุ่งห่มก็ต้องถูก อ, อกถูกใจแต่ถ้าใช้แบบนักบวชก็ไม่สนใจเรื่องความถูก อ, อกถูกใจสนใจที่เหตุผลว่ามีไว้ทำไมรับประทานเพื่ออะไรรับประทานเพื่อรักษาร่างกายให้อยู่ได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่หิวโหวยไม่อดอยากขาดแัน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็มีไว้ปกปิดรักษาร่างกายไม่ให้ถูกบาลาสัตว์กาศต่อยไม่ให้ถูกอากาศที่หนาวเย็นทำให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาปกปิดอวัยวะต่างๆเพื่อให้ดูไม่น่ารังเกียจ น, นี่คือจุดประสงค์ของการใช้เครื่องนุง่งห่มที่อยู่อาศัยก็มีไว้สำหรับ หลบแดดหลบฝนไว้ป้องกันภัยต่างๆที่อาจจะมาทำร้ายร่างกายได้ทาลายร่างกายได้ยารักษาโรค ก, ก็รักษาโาครคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นจะเป็นราคาแพงหรือไม่แพงก็ไม่สำคัญขอให้ใช้รักษาโรคได้ก็แล้วกัน ยาชนิดเดียวกันมีหลายราคาสมัยนี้แต่ความจริงแล้วก็รักษาโรคได้เหมือนกันนี่คือการอยู่แบบนักบวชต้องอยู่แบบเหตุแบบผลการบริโภคปัจจัยสี่นี่ต้องทำด้วยเหตุด้วยผลอย่าทำด้วยอารมณ์ความอยากต่างๆ เพราะถ้าทำด้วยอารมณ์ความอยากนี้มันจะวุ่นวายมันจะเลื่องมากแล้วมันจะทำให้ติดพันจะทำให้อยู่แบบนักบวชไม่ได้ก็เลยจะไม่สามารถที่จะเลือกทางของนักบวชได้ทางของคะทานศีลภาวนาได้ก็เลยจะเสียโอกาสอันดีที่ได้เกิดมาพบทางอันประเสริฐ ของพระอาริยะเจ้าทั้งหลายแต่ตนเองไม่สามารถที่จะเดินตามรอยทางของพระอาริยะทั้งหลายได้เพราะติดอยู่กับความสุขเล็กๆน้อยๆที่ได้จากการบริโภคปัจใจสี่เท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรเลยที่เป็นอุปสรรคขวางกั้น การดำเนินชีวิตตามรอยของพระอริยะเจ้าทั้งหลายถ้าเราอยู่ง่ายกินง่ายรับรองได้ว่าการออกบวชหรือการอยู่แบบนักบวชนี้จะเป็นสิ่งที่ไม่ยากเย็นอะไรเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรายังมีปัญหาเกี่ยวกับการบริโภคเรื่องปัจจัยสีอยู่ก็ขอให้เรามา แก้กันมาฝึกอยู่แบบนักบวชกันอย่างน้อยก็อาทิตย์ละวันก่อนก็ได้เป็นจุดเริ่มต้นเี่นวันพระหรือวันที่เราสะดวกที่จะอยู่แบบนักบวชเราก็มาอยู่กันอาหารก็กินเมื่อเดียวหรือสองมือ้อไม่กินหลังจากเที่ยงวันไปแล้วกินเพื่อร่างกายไม่ได้กินเพื่อความอยากอาหารก็ไม่ต้องเลือก รลยร้านอาหารก็บอกเด็กให้เอามาเลยอะไรก็ได้สองสามอย่างช่วยเลือกให้หน่อยก็แล้วกันคุณว่าอาหารอะไร อ, อร่อยเอามาเลยให้เขาจัดมาให้ใหฝึกทําอย่างนี้ไปก่อนอย่าไปจู้วจี้จุกจิกที่นอนก็หัดนอนแบบขอทานข้างถนนนอนบนพื้นเสื้อผ้าก็ใส่แบบเสื้อผ้าง่าย ไว้สำหรับปิดร่างกายปกปิดร่างกายไม่ต้องเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์คริสตีนดีออร์หรืออะไรมันก็เป็นแค่เสื้อผ้าเท่านั้นเองนี่แหละคือการฝึกฝนเพื่อที่เราจะได้แก้ปัญหาแก้อุปสรรค ที่ขวางกั้นทางเดินของพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ทำให้เราไม่สามารถเดินตามรอยของพระพุทธเจ้าได้ที่เราไปกราบพระพุทธบาทกันก็ไม่ใช่ไปกราบรอยเท้าของพระพุทธเจ้าแต่ไปกราบวิถีชีวิตของพระพุทธเจ้าแต่คนโง่มันก็ไม่รู้ก็ไปกราบรอยพระบาทแล้วก็มาถามว่าได้อะไรว่าจากการกราบรอยตีนของพระพุทธเจ้า มันก็ไม่ได้อะไรเพราะรอยพระบาทนี้มีไว้ให้เราเลิกราเลิกถึงการดำเนินชีวิตของพระพุทธเจ้าและของพระอริยะเจ้าทั้งหลายว่าท่านดำเนินชีวิตอย่างไรการบรยกรร่อนบปัจจัยสี่ของท่านท่านบิโพกอย่างไรและนี่แหละคือการไปกราบรอยพระบาทเพื่อการไปศึกษาแนวทางแนวชีวิตของพระ พุทธเจ้าของพระอริยเจ้าทั้งหลายเพื่อที่เราจะได้ดำเนินตามรอยพระบาทได้กลับกลายเป็นเรื่องอจจั์ไปมีพระบาทมาโผลที่ตรงนั้นมาโผลที่ตรงนี้แล้วก็ไปปิดปิ ด, ปดทองกันไปกราบกันไปขอเลขขอเบอร์ขอลูกขอหลานขอยศขอตำแหน่งกันกลายเป็นเรื่องของความงมงายไปความหลงไหลไป ไม่ใช่เรื่องของเหตุของผลการที่เราไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนี้มีเป้าหมายอยู่เพียงที่จะสอนให้เรารู้จักวิถีชีวิตของนักกราดเช่นพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายเท่านั้นเองไม่ได้มีความศักดิ์สิทธิ์อะไรในตัวของสิ่งที่เราไปสักการะเลยเช่นพระาธาตุก็ดีรอยพระบาทก็ดี ในตัวของพระาธาตุเองในรอยพระบาทเองไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ไม่มีความวิเศษวิสุอะไรเป็นเพียงแต่เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้ศึกษาถึงสิ่งที่วิเศษสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือวิถีการดำเนินชีวิตของพระพุทธเจ้าและของพระอริยสงสารวกศ์ทั้งหลายต่างหากอันนี้แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่วิเศษ สิ่งที่ทำให้พระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันก็คือการดำเนินชีวิตของท่านนั่นเองว่าท่านดำเนินการอย่างไรท่านดำเนินตามทางแห่งลาบยศ ส, สรรเสิญสุขแล้วว่าท่านดำเนินแห่งทานศีลภาวนาท่านอยู่แบบสมถะเรียบง่ายหรือท่านอยู่แบบจุ้จีจุกจิกอยู่แบบรู้หลา อยู่แบบวิจิตพิศดารอันนี้ต่างหากคือการที่เราไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเช่นเป็นธรรมเนียมของคนไทยเราซึ่งก็แปลกเป็นคนไทยแต่ชอบไปปิดทองในวันตุจกีนกันก็มีความเชื่อว่าตุจกี ตัวจีนแล้ว ป, ปิดทองพระเก้าวัดจะเป็นมงคลแก่ชีวิตแต่ปิดไปมันก็เท่านั้นเพราะปิดแบบคนตาบอดปิดไปไม่เคยเปิดตาในเลยไม่เคยพิจารณาด้วยปัญญาเลยว่าเอพระพุทธเจ้าเป็นใครท่านดําเนินชีวิตอย่างไรท่านถึงได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราปฏิบัติอะไรอย่างไรไม่เคยคิดไปถึงก็ไป หาทองไปปิดจุดทูบจุดเทียนกันเสร็จแล้วก็นั่งอธิษฐานขอนน่นขอนี้นนนกันไปตามความอยากความต้องการอยากได้ลูกก็ขอลูกอยากได้สามีก็ขอสามีอยากได้ภรรยาก็ขอภรรยาอยากได้เลขอยากได้เบอร์ก็ขอเลขขอเบอร์ขอกันไปหมดเลยอันนี้แหละคือพุทธศาสนาของของพวกเราในปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้ ไม่ได้ตรงกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งทรงสอนเลยสิ่งพระพุทธเจ้าทรงสั่งทรงสอนก็คือให้เจริญพุทธานุสติเจริญธรรมานุสติเจริญสังขาร น, นุสติให้ระลึกถึงวิถีชีวิตของพระพุทธเจ้าให้ระลึกถึงวิถีชีวิตของพระอาหารหันตสาวกของพระอริยสงสาวกทั้งหลาย ให้ล้ำลึกถึงพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าและของพระอริยสงสาวกทั้งหลายอันนี้ตังหาคือสิ่งที่เราควรที่จะให้ความสำคัญควรจะศึกษาให้ถึงแก่นให้ถึงให้เข้าใจถึงเหตุถึงผลของการปฏิบัติของท่านว่าทำไมท่านต้องปฏิบัติอย่างนี้ทำไมท่านไม่หาลาบยศลาเสริญสุขเหมือนอย่างที่พวกเราหากันทาไมท่านกลับไป ทำทานไปรักษาศีลไปภาวนาไปบวชไปอยู่แบบยาจกขอทานกันก็เพราะว่าสิ่งที่ท่านปรารถนานั้นมันไม่ได้เกิดจากการหาลาบยศสารเสริญสุขนี่องแต่มันเกิดจากการทําทานเกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการภาวนานี่เองต่างหากนี่คือสิ่งที่ท่านต้องการก็คือความสงบ เพราะความสงบนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ถาวรส่วนความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายความสุขทางลาบยศสรรเสริญสุขนี้เป็นความสุขชั่วคราวแล้วก็เป็นความสุขที่มีโทษตามมาก็คือมีความทุกข์ตามมา เวลาที่มันเสื่อมไปเวลานั้นความทุกข์ก็จะโฮมกระหน่าใส่จิตใจทันทีเวลาเสื่อมราบนี้ก็ทุกเสื่อมยศก็ทุกเสื่อมสรรเสริญก็ทุกเสื่อมความสุขทางตาหูจมูกลิ้วกายก็ทุกเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยต้องไปผ่าตัดนี่จะมีความสุขกับลูกเสียงกลิ่นลดเหมือนเมื่อก่อนหรือไม่นี้มีแต่จะมีแต่ความทุกข์กระหน่ํำก็มาอยู่ตลอดเวลา อันนี้แหละนักปราชญ์อย่างพระพุทธเจ้าท่านเห็นว่ามันเป็นกองทุกข์กันท่านถึงไม่เดินตามทางนี้กันท่านไม่เดินแสวงหาราบยศสารเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันแต่ท่านหาความสุขทางทางนศีลภาวนากันเพราะท่านเห็นว่าทําแล้วทําให้เกิดความสงบขึ้นมาภายในใจเวลาทําทานสละสิ่งที่เรารักไปได้นี่ ใจจะโล่งจะเบาจะเย็นเลยเช่นเราทุกข์กับสามีทุกข์กับภรรยาห่วงสามีห่วงภรรยาพอตัดสินใจยกให้คนอื่นเข้าไปได้ปั๊บความทุกข์อันหนัก อ, อกหนักใจนั้นจะหายไปเลยนี่เรียกว่าทานคือการให้คือเราไม่ต้องไปบอกใครว่าเราให้แต่เราให้ในใจของเราเราทุกข์ก็ทุกข์ในใจของเราเราอยู่กับสามีอยู่กับภรรยาเราก็ทุกข์กับเขากลัวเขาจะ แอบไปมีคนนั้นคนนี้ใหม่ถ้าเรารู้ว่าความทุกข์อยู่ที่ความหวงของเราเราก็ใช้ทานมาแก้มันทีกยกให้เขาไปเลยใครอยากจะได้ก็เอาไปเลยพร้อมที่จะให้เขาไปพอพร้อมท่านนี้ใจหายทุกข์เลยเนี่ยต้องทำทานแบบนี้มันถึงจะเห็นเห็นประโยชน์ของการทำทานอย่าทำทานแบบจิ๊บจอยทำเทาบาทสองบาทแล้วก็จะหวังเอา เออเอาสวรรค์เอาผลตอบแทนทำแล้วขอให้ร่ำรวยกว่าเดิมไอ้อย่างนี้ไม่ใช่เป็นเป้าหมายของการทำทานการทำทานนี้เพื่อตัดความทุกข์ที่เกิดจากความยึดความติดความหวงในสิ่งที่ที่เรามีอยู่เราต้องรู้ว่ามันไม่เที่ยงมันสักวันหนึ่งมันจะต้องจากเราไปอย่าไปหวงมันสละไปเลยถึงแม้ว่าจะไม่ได้สละ จริงๆแต่อย่างน้อยให้มันสละในใจให้ได้ก็แล้วกันคือยังอยู่กับสามียังอยู่กับภรรยาอยู่แต่ไม่ไปหวงไม่ไปหวงเขาแล้วเขาจะไปเมื่อไหร่ก็ไปได้ไม่เสียใจไม่เสียดายอันนี้คือตัดทางใจไม่ต้องไปจัดทางกายคือไม่ต้องไปบอกว่าเธอไปเลยนะเธออยากจะไปอยู่ใครก็ไป <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปจริงๆ <laughs> <laughs> ไปจริงๆก็ต้องรับได้ถ้าให้จริงๆใชเ่เวลานั้นก็จะได้รู้ว่าให้จริงหรือไม่ให้จริง เ, เวลาก็ไปเลยก็จะได้รู้ว่าไปเราให้ได้จริงๆหรือเปล่าเราทำทานได้หรือเปล่าดังนั้นการทาทานที่จะเห็นพ้นได้อย่างชัดเจนต้องให้ของที่เราลักเราห่วงถ้าให้ของที่เราไม่ลักไม่ห่วงมันไม่รู้สึกอะไรเช่นขยะที่เราจะไปทิ้งของเก่าแล้ว ของเสียแล้วพัดลมเสียแล้วก็ให้เขาไปอย่างนี้มันก็ไม่รู้สึกอะไรมันสบายใจตรงนี้มันจะได้ไม่เกะ ก, กะลกบ้านเราเท่านั้นเองแต่มันไม่มีความผูกพันกับมันเสียแล้วต้องให้ตอนที่เรามันรักเราหวงมันตอนที่ซื้อมาใหม่ๆพัดลมซื้อใหม่ๆยังไม่ทันใช้เนี่ยมีคนมาขอก็ยกให้เขาไปเลยเนี่ยเวลานั้นน่ะมันจะเห็นผลของการทําทานว่าใจจะรู้สึกอย่างไร ใจจะเกิดความปลื้มปิติขึ้นมาขนลุคซาขึ้นมาเลยหรือเวลากำลังจะรับประทานอาหารอยู่หิวอยู่พอดีมีขอทานเดินผ่านมาไม่มีอาหารกินยกให้มันไปเลยอดยอมอดมือนี้แล้วจะรู้สึกว่าไม่หิวเลยหิวกายแต่มันจะอิ่มใจขึ้นมาแล้วมันจะได้ตัดเรื่องการรับประทานอาหารมากเกินไปลดน้าหนักไปได้อย่างง่ายได้ ทุกครั้งคนที่ต้องการลดน้ำหนักเวลาจะซื้ออะไรมากินก็ซื้อมาแล้วก็เอาไปให้คนยากจนนรแล้วจะได้ความอิ่มใจแล้วมันจะไม่หิวทางร่างกายทางร่างความหิวทางร่างกายจะไม่มีน้ำหนักเหมือนกับความอิ่มของทางจิตใจเราก็จะได้ลดน้ำหนักได้อย่างง่ายดายนี่คือวิธีลดน้ำหนักเวลาอยากจะกินอะไรก็ไปซื้อมาซื้อมาแล้วก็เอาไปให้ขอทานเลย ให้เอาไปให้คนยากคนจนเลยมือนั่นเราไม่ต้องกินแล้วน้ำหนักก็ลดเพราะใจมันอิ่มใจมันไม่หิวถ้าให้จริงๆแล้วเห็นประโยชน์จากการให้ของเราเห็นคนที่โซซัดโซเซมาสู้พร้อม <s> ได้รับประทานอาหารอันรู้หลาอันวิเศษของเราไปสั่งสตาบกสตาบักมาชุดหนึง่งเลยเอาไปให้ขอทานที่นั่งอยู่หน้าร <laughs> ้านสตาบัก อันนี้แหละคือวิถีชีวิตของนักปราศทำกันอย่างนี้พวกเราเป็นคนโง่กันมองไม่เห็นประโยชน์จากการให้แบบนี้กันเราก็เลยไม่ได้สัมผัสกับความสุขแบบนี้กันนี่แหละคือเรื่องของพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาสอนเราเราจะไม่เห็นคุณค่าของการเสียสละของการให้ จะไม่เห็นคุณค่าของการรักษาศีลของการไม่ทำบาปจะไม่เห็นคุณค่าของการภาวนาการทำจิตใจให้สงบดังนั้นขอให้พวกเราที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วถ้ายัางไม่เห็นคุณค่าก็ขอให้ศึกษาให้มากยิ่งขึ้นไปแล้วลองปฏิบัติตามดูให้ได้สัมผัสกับผลอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าผลที่เกิดจากการทำทานก็ดี เกิดจากการรักษาศีลก็ดีหรือเกิดจากการภาวนาก็ดีขอให้ได้เห็นถึงใจจริงๆสักครั้งหนึ่งเถอแล้วรับรองได้ว่าเราจะตัดสินใจได้ว่าเราจะเลือกทางไหนกันการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร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 สารสุยถาสภิติโยวิวชัชฉานตุสัพโรโครวินาศตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีคายุโกภ ว, วะอภิวาตนาสีึกษะนิจังวุฒาปจายินโนจตารโอธรมมวัฏานติอายุวโนสุขังภาลัง ไมีคนจะถามปัญหาเข้ามาใกล้ๆหน่อยก็ได้จะได้ยินเสียงงานขอผมนี่เป็นงานเกี่ยวกับติดต่อผ่านฝ่ายจัดซื้อของบริษัทครับแต่ทีนี้ว่าบางบริษัทเนี่ยฝ่ายจัดซื้อเนี่ยก็มีการขอเปอร์เซ็นบางบริษัทก็ไม่มีทีนี้ว่าผมจะสอบถามแมาใจ น, นึงว่าถ้าผมให้เปอร์เซ็นกับฝ่ายจัดซื้อ ซึ่งอาจจะเคยเนี่ยเขามีหน้าที่ของเขาอยู่แล้วอย่างนี้ถือเป็นการคอร์รัปชันนะครับก็ อ, อยู่ที่นโยบายของบริษัทถ้า บ, บริษัทเขามีนโยบายให้ให้แบบเปิดเผยมันก็ไม่เป็นการคอร์รัปชันแต่ถ้าให้กันแบบลับๆมันก็เป็นการส่วนมากจะเป็นแบบเหมือนเขาขอเองมากมากกว่าบริษัทีต่รประโยชน์ใช่ใช่ เรไปทํางั้นก็เท่ากับเรารักทรัพย์ของบริษัทไปให้คนอื่นเนะแต่ว่าส่วนมากผมก็ไม่ค่อยให้คือถ้าขอเขาก็ไม่ไม่ได้ทำนอกจากบริษัทเขามีนโยบายว่าเออถ้าใครเขาขอก็ให้เขาไปแต่ให้ทํารายงานมาอย่างนี้มันก็ถือว่าเป็นรายจ่ายไปแต่ถ้าทําแบบรับรับทางบริษัทก็ไม่รู้อย่างนี้มันก็แสดงว่าเรารักทรัพย์ของบริษัทไปให้คนอื่นเขา หรือเวลาเราซื้อแล้วเขาให้เราก็แบบเดียวกันเร า, เราไปซื้อของแล้วทางร้านเขาให้เราพิเศษถ้าเราจะบริษัทแล้วก็เอาเงินที่เขาให้เราเข้าบริษัทไปมันก็ไม่เป็นการคอรัปชั่นเพราะเราทํำหน้าที่ให้กับบริษัทผลประโยชน์ที่ได้ควรจะเป็นบริษัทเป็นผู้รับไปไม่ใช่เราเป็นผู้รับไปเราได้รับประโยชน์แล้วเราได้เงินเดือนแล้ว เข้าใจนะอย่าไปเสียดายกับเงินเล็ ก, ลกๆน้อยๆนะเอาสินดีกว่าสินนี่มีคุณค่ากว่าเงินทองที่เราได้ใจเราจะมีความสุขกว่าถ้าเราชนะความโลภความอยากจะได้ด้วยการทำบาปนี้เมือ่อเมื่อผมฟังในยูทูบางทีข้อธรรมข้อนึ่งที่เกี่ยวกับปานาติปต า, าที่อ า, าจาร เป็นว่าถ้าเราจะไปซื้อเนื้อสัตว์แล้วอย่างเงี้ยครับถ้าเราไปสั่งสั่งเขาล่วงหน้าว่าค่าของตัวเนี่ยเป็นเป็นปลานาติดปลาตาแต่ว่าถ้าในกรณีร้านค้าที่เป็นร้านอาหารที่เขาจะต้องออเดอร์ล่วงหน้าอย่างเงี้ยครในในในแต่ละวันคือจะต้องมีการสั่งล่วงหน้าอย่างเงี้ยอึ่งนี้ถือว่าเป็นโทษปลานาติด ป, ปถ้าคุณสั่งก็มีโทษมีมีส่วนร่วมไงเป็นสั่งก็ดีทําเองก็ดีมีมีโทษ ถ้าสั่งล่งงหนานี่มีโทษไหมมีโทษแต่ถ้าเราไม่สั่งเราไปซื้อทุกวันมีก็ซื้อไม่มีก็ไม่ซื้องี้ก็ไม่ไม่ไม่มีส่วนแล้วก็ในกรณีถ้าเราไปซื้อหุ้นแล้วแล้วเขาเอาเงินของเราเนี่ยไปทำในทานที่ไม่ดีอย่างเช่นเราไปซื้อกองบุณล้วนนะครับแล้วเขาเอาไปทำในทางที่ไม่ดีเรามีส่วนนะครับแต่เราได้รับประโยชน์แล้วก็มีส่วน ไมรู้ว่าไอ้เขาเอมาไปซื้อเพื่ออะไรแค่ซื้องทุนหลวเฉยเลไม่รู้แบบแก้งไม่รู้เลยว่าไม่ไม <çon> ่ไม <AR> ่สนใจที่จะไปรับรู้อ่าอย่าไปโลภก็ไปฝากความจริงเดี๋ยวนี้มันอะไรมันก็ปนกันไปหมดอ่ะเอาเงินไปฝากธนาคารก็ไปปล่อยให้บริษัทค้าสัตว์ค่าสัตว์ก็ได้ เราก็ได้ดอกเบี้ยจากเงินที่เราฝากเท็งแต่ว่ามันมันกลายเป็นสามขั้นมันเราก็เลยไม่ถือว่าเรามีส่วนร่วมไปไปด้วยถ้าเราถ้าเราคิดว่าเราซื้อกองทุนเป็นการเอาเงินไปฝากเขาแล้วเขาไปเอาไปทํารายได้เพิ่มโดยที่เราไม่ได้สั่งเขาอางนี้เราก็ไม่มีส่วนก็ได้ไม่งั้นเราก็ฝากเงินในธนาคารไม่ได้เนี่ย ฝากเงินธนาคารเขาปล่อยคู่ให้กับพวกที่เข้าไปค่าทาสร้างโรงค่าสัตว์อย่างเงี้ย<ม>เขาเกลีเงินของเราที่ฝากไปอันนี้เราบาวรือ่าอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันมันมันมันพัวพันกันโวเนียไปหมดถ้าอยากจะบอยสวยก็ไม่ต้องมีเงินเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องฝากเงิน <c oughs> เอาไว้ใต้เตียงใส่เก็บไว้ในตู้ในบ้าน <c oughs> อย่าโลภทักอย่างแล้วมันก็จะจะไม่ทำบาปแต่ถ้ามันโลภแล้วมันก็อดที่จะทำบาปไม่ได้มีทางอินเทอร์เน็ตไหมวันนี้ไม่มีครับอาจารย์เมื่อกี้จะถามอะไรถามอะคุณอะเมื่อกี้ถามหลังไม้นั่นนี้เปิดไม้แล้วไ ม, มไม่มีแล้วครับ อย่างสมุดว่ามีงานหนึ่งว่าเออทา บ, บ, บุญงานนี้นะทนนี้จังหวัดจังหวัดจังหวัดจังหวัดนั้นเป็นว่างานนี้ไม่ได้ไปต้องไปในวันหลังเพื่อทำให้ล่าช้าต่อไปนี้เงินที่เขาฝากมาเขาจะทำมาร่าช้าที่จะมีไม่หรอกเราไม่เราไม่มีเจตนาคนที่ทําบุญเขาได้บุญแล้วเขาสละไปแล้วการทําบุญนี้เป้าหมายหลักคือการสละเงินก่อนนั้นไปส่วนประโยชน์ที่จะไปทํานั้น สำเร็จหอย่างนี่มันไม่เป็นปัญหาสําหรับเขาเนะแต่เราเนี่ยที่ผู้ทำมาแล้เราเร า, เราถ้าเราไม่มีเจตนามันเรื่องสุดวิสัยก็ไม่มีปัญหาเลยถ้าเรามีเจตนาทักจะเสียดายทักอยากจะงุ้งเงียบเงินก้อนนี้ อ, อันนี่มันก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วแต่ถ้าเราไม่มีเจตนาที่จะงุบ ง, งิบอยากจะครอบครองรักษาเงินก้อนนี้ไว้อยู่ให้อยู่กับเรา แต่ว่าเหตุการณ์มันบังคับให้เรายัางไม่สามารถที่จะไปทำตามจุดประสงค์ได้ก็ไม่มีความเสียหายตรงไหนแค <c oughs> ่ดูเจตนาเป็นหลักการทำบาปหรือทำบุญนี้ให้ดูที่เจตนาว่ามีความตั้งใจจะทำหรือเปล่าอ ย, อย่างเมืว่วานนี้ท่านอาจารย์ที่เล่าถึื่องว่า การเจริญสติถ้าบางอย่างนี้่ไม่ต้องถ้าสมจติมีความชำนาญการเจริญสติแล้วโดยโดยที่ไม่ต้องกำหนดพุทโธหรือโดยที่ไม่กาหนดลมหายใจสามารถยกปัจจัั้ได้เลยใช่ไหมครัได้หยุดได้เลยไงเพอเห็นความโลภก็หยุดได้ีก็ไม่ต้องพุทโธพุทโธแต่บางทีโลภแล้วมันไม่หยุดเห็นแล้วโลภแล้วมันยังไม่หยุดก็ต้องใช้พุทโธช่วยอย่าไปคิดถึงเรื่องที่เราอยากจะได้ สิ่งที่เราอยากจะได้ยิ่งคิดมันก็ยิ่งอยากจะได้่งพอเราไปคิดแต่พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวมันก็ลืมเรื่องนั้นไปแบบเช่นเดียวกับเวลาโกรธนี่เวลาโกรธถ้าเราไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธยิ่งคิดก็ยิ่งโกรธอย่างนั้นทั้งทั่งที่เรื่องมันผ่านไปต้องนานแล้วแต่ยังโกรธอดที่จะโกรธไม่ได้แต่ถ้าเรามีสติมีกาลังมากพอรู้ว่าจะโกรธก็บอกหยุดปับมันหยุดได้ก็แสดงว่าเราก็ไม่ต้อง ชอพุโทโธหรือถ้าเราเห็นบนเห็นด้วยปัญญาว่าเวลาโกรธนี่เหมือนกับเอามีดมาทิ่มตัวเองอย่างนี้ออกไปเราก็จะไม่โกรธทุกครั้งที่เราโกรธนี่เหมือนกับเอามีดมาทิ่มแทงหัวใจเราเองไม่ใช่คนอื่นเขาทำเราเราทําเราเองคนด่าเราก็ไม่ได้เอามีดมาทิ่มใจเราหรอกแต่เราเนี่ยเราไปโกรธเขาไม่พอใจ เป็นคนเอามีดมาทิ่มแทงใ จ, ใจเราเองถ้าเราเห็นด้วยปัญญาต่อไปเราจะไม่โกรธแล้วเราจะเห็นว่าต้นต้นเหตุของความโกรธก็คือความอยากของเราเองอยากให้เขาพูดดีกับเราพอเขาไม่พูดดีกับเราเราก็โกรธพอเขาด่าเราเราก็โกรธแต่ถ้าเราไม่ได้หวังอะไรจากเขายินดีทุกอย่างดีก็ได้ด่าก็ได้ชมก็ได้เราก็จะไม่โกรธรับ ทำไมที้เจอคนเข้มแข็งได้ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่การมีสตินี่แหละถ้ามีสติแล้วใจก็จะแน่วแน่หนักแน่แนเข้มแข็งสตินี่สำคัญที่สุดในบรรดาธรรมทั้งหลายจะมีความอดทนก็ต้องมีสติจะมีสมาธิก็ต้องมีสติจะมีปัญญาก็ต้องมีสติ จะรักษาศีลได้ก็ต้องมีสติเวลาเมาเหล้านี้รักษาศีลไม่ได้นั้นสตินี้จําเป็นในทุกกรณีพระุทธเจ้าทรงตรัสไว้สติเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดลองเปรียบเทียบว่าสติเป็นเหมือนรอยเท้าช้างยิ่งใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์ทั้งหมดในป่านี้ไม่มีสัตว์ตัวไหนที่จะมีรอยเท้าใหญ่เท่ากับรอยเท้าช้างรอยเท้าของสัตว์ต่าง ธรรมะก็เช่นเดียวกันไม่มีธรรมะใดจะยิ่งใหญ่สําคัญเท่ากับสติถ้าไม่มีสติแล้วธรรมอย่างอื่นเกิดไม่ได้ศีลเกิดไม่ได้สมาธิเกิดไม่ได้ปัญญาเกิดไม่ได้วิมุตติเกิดไม่ได้เช่นคนที่ไม่มีสติคนบ้าอย่างเนี้ยให้ทําทานได้ไหมให้รักษาศีลได้ไหมให้ภาวนาได้ไหมคนเมาเหล้าให้เขานั่งสมาธิได้ไหมให้เขารักษาศีลได้ไหม ทำไม่ได้ดังั้นถ้ามีสติแล้วทุกอย่างจะตามมาเองหรืดุดสติให้เขแข็งก็จะเพกย่งจะดีขึ้ น, น, น ส, สติไม่เข้มแข็งให้ให้สติต่อเนื่องให้ <c oughs> <c oughs> ม, มีสติอยู่ทุกเวลานาที <c oughs> ตั้งแต่ตื่นจนหลับให้เป็นสัมปชัญญะสติที่ต่อเนื่องไม่ไม่ ไม่ไม่เผลอไม่อะไรนี่เรียกว่าสเป็นสัมปัตยัญญะถ้าสติเกิดดับเกิดดับเนียยังเรียกว่าเป็นสติอยู่แต่ถ้าต่อเนื่องไปไม่ไม่ขาดสายนี่เรียกว่าเป็นสัมปัตยัญญะเน้นต้องพยายามเจริญสติให้เป็นสัมปัตัญญาขึ้นมาให้รู้อยู่ในปัจจุบันตลอดเวลาให้รู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เรื่องเดียวในขณะนั้นถ้ารู้อยู่กับร่างกายก็ให้อยู่กับร่างกายเพียงอย่างเดียวถ้ารู้อยู่กับพุโทโธก็อยู่กับพุโทโธไปอาจารย์ครับเมื่อวานครับมีเหตุการณ์มากระทบที่ทําให้เกิดความโกรธอย่างมากครับพอเกิดความโกรธอย่างมากเนี่ยเราก็นึกไปว่าอีกสามวันก็ลืมเรื่องนี้ละพอรู้อย่างนี้ปุ๊บหายเลยครับรอาจารย์โอเคว่ามันเป็นอนิจจงมันไม่เทียง ความจริงมันหายไปนานแล้วล่ะเราเอากลับมาเอากลับมาคิดถึงมันเองเหตุการณ์มันเกิดขึ้นปั๊บมันก็ไปแล้วถ้าใจเราอยู่ในปัจจุบันนี่ทุกอย่างมันเราจะเห็นทุกอย่างเกิดดับเกิดดับต่อหน้าเราเลยกครก็พูดอะไรปั๊บก็มันผ่านไปแล้วแต่จใจเราไม่อยู่ปัจจุบันเราตามไปด้วยมันเป็นอดีตแล้วก็เกาะไปกับมันยังติดอยู่กับคําพูดของเขาเยอะมันก็เลยทําให้เกิดอารมณ์ว้าวุ่นขุนรัวขึ้นมา ถ้าจิตอยู่ในปัจจุบันนี่อะไรปั๊บมันก็เกิดปั๊บก็ผ่านไปแล้วใครพูอะไรปั๊บมันก็ผ่านไปแล้วใครทำอะไรปั๊บมันก็ผ่านไปแล้วนี่คือสติที่มีกําลังมากจะเป็นนี้จะตั้งอยู่ในจุดเดียวคือในปัจจุบันแล้วมีข้อนึงครับอาจารย์ระหว่างขับรถจากพัทยาครับ<ม>ก็รถติดไฟแดงอยู่มีรถคันข้างหลังก็บีบแต่ ทางน้าที่เห็นว่าข้างหน้าก็ติดไฟแดงอยู่ไปไหนไม่ได้แต่พอเราเหลือไปเราก็อยากจะโกรธอยู่ครับพอเหลือไปมองข้างหลังมากันเต็มคันเลยสู่วบก็ตายเปล่าก็เลยก็เลยเงียบก็เลยหลงไม่รู้ว่าเป็นความกลัวหรือเป็นปัญญา ที่บ้านผมไม่มีหนังสือธรรมะเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็ที่หนังสือเนี่ยก็จะมีรูปพระพุทธพระพุทธเจ้าอยู่แต่ว่าบางเล่มเนี่ยผมอ่านแล้วมันก็ไม่เข้าสภาก็คือบางทีมันก็อาจจะไม่ตรงผมก็เลยจะทิ้งหนังสือไปบ้างบางส่วนทีเนี้ยถ้าผมทิ้งไปเนี่ยแล้วรูปนั้นแล้วหนังสือเล่มนั้ น, น, นมีรูปพุทธเจ้าเนี่ยผมจะเสียความเคารพไ้ยครับรวมถึงพระผงอะไรต่างๆที่มันค่อนข้างเยอะครับ ถ้าทิ้งนี่ผมมีบาปนะอยู่ที่เจตนาของเราอยู่ที่ใจของเราว่าเราทำด้วยเหตุผลกลไกอันใดอยู่ที่เราเรามีความมั่นใจในการกระทำของเราหรือเปล่าว่าถูกเหตุถูกผลหรือเปล่าถ้าไม่มั่นใจก็เก็บไว้เหมือนเดิมก็มันอยู่มันน่าต้องนานก็อยู่ได้ไม่ต้องไป ย, ยุ่งกับมันกระทันนั้นเองใช่ไม้ม เยอะเยอะเพราะว่าเรามันไม่เยอะถ้าเราไม่อยากจะกาจัดมันถ้าเราชอบมันมันก็จะหาที้เงินต้องเยอะแยะเห็นมันเยอะว่าเยอะเลยใช่ไหมพอเราไม่ชอบมันขึ้นมาเราก็อยากจะกาจัดมันละก็เมื่อก่อนมันอยู่มาได้ตั้งนานแล้วทำไมอยู่ๆดีๆจะต้องให้มันไปจัดการกับมันทำไมถ้าปล่อยมันไว้อย่างนั้นเหมือนมัน มันมันมันเดือดร้อนตรงไหนเลยที่ไม่มีนอนเมื่อไงคืออยากให้ห้องโล่งไปเลยครับจะได้หาของใหม่เข้าใหม่ถ้าสละออกให้คนอื่นไม่เป็นการแบบมาก็ก็ไปหาที่ห้องสมุดเรือที่ไหนเขาเขายินดีครับก็ไปให้เขาก็ได้คนที่เขาชอบของพวกนี้ก็มีอยู่เยอะแยะไปก็ไปถามตามวัดตามโรงเรียนเดียตามที่เป็นสาธารณะ องค์กรการกุศลอะไรต่างๆอาจารยครับขอถามหค่ะในวันพระนะคะหนูจะถือศีลแปดแต่หนูก็จะเข้าเฟซบุ๊กด้วยค่ะอันนี้จะถือว่าผิดสมบูรณ์ทีเดีก็รยสักวันหนึ่งก็แล้วกันคือการถือสินแปดก็เพื่อที่จะสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายไม่รับรู้เรื่องราวต่างๆเพราะมันจะขัดกับจุดประสงค์ของการถือสินแปด การถือศีลแปดเพื่อจะรักษาให้ใจสงบใจจะสงบได้ก็ต้องสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายไม่รับรู้เรื่องราวต่างๆแล้วถ้าเข้าไปเพื่อฟังธรรมครับอาจารย์ อ, อ๋อได้ได้แต่ก็ต้องระวังว่ามันเดี๋ยวจ ะ, ะมันจะไปที่อื่นหรือเปล่าเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนี้พอเปิดคลิกมันมันเข้าไปลิงก์ไปยูทู e เลย ไม่อยู่ที่หน้าเดิมอเลืมเหรอเลิมตั้งค่าหรือเปล่าไม่ครับจำไม่ได้เลยครับนคือว่าของเมื่อคืนนี้ยพอคลิกเข้าไปธรรมดามันยังอยู่ในหน้าเฟซบุ๊กอยู่แต่อันนี้คลิกเข้าไปมันจะไปเปิดอีกหน้าหนึ่งเลยเข้าไปในหน้าของ youtube เลยแต่ก็ไม่เป็นทําปัญหาเลยหน้าเก่าก็ยังอยู่เพียงแต่ว่ามันเปิดหน้าใหม่เพิ่มขึ้นมาก็ดีเหมือนกันจะได้เข้าไปถึงส่วนใหญ่แล้วก็จะเข้าไปหน้าหน้า y o u ูทูบ จริงๆควรใช้อีกโปรแกรมหนึ่งครับอาจารย์โปรแกรมมันชื่อ Fox กทูบครับเพราะว่าโปรแกรมนั้นเนี่ยพอเราปิดหน้าโปรแกรมไปเสียงก็ยังดําเนินอยู่แต่ถ้าเป็นของ youtube เนี่ยปิดหน้ามันก็จะหายไปเลยเสียงฟ็จะแบบปิดแล้วเราก็สามารถทําอื่นต่อได้แสดงว่าเมื่อวานนี้คนณทำเอกแบบหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่ครับอาจารย์ทํำแบบเดิมครับแล้วทํามันไม่เป็นเหมือนเดิมไม่ทำเครับแต่ว่เพียงแค่ว่าในในเครื่องเราต้องไปโหลดโปรแกรม Fox กทูบมาใหม่แล้วก็ใช้ Fox กทูบแบบเปิดแทน y o u t ยูทูอ เพาเมื่อก่อนคลิกที่หน้านั้นมันก็จะมันก็จะเล่นในในหน้าหน้า น, นั้นเลยขนาดจะมีล น, นะอาจารย์ถ้าเวลาคลิกคลิกที่เป็นคลิปใน u t ท b e เนี่ยถ้าเราคลิกที่ตัวตัวตั ว, ตวภาพอะครับมันก็จะเล่นเลยแต่ถ้าคลิกที่โดนชื่อเนี่ยบาคลิกที่ชื่ อ, อก็คลิก ต, ตรงที่เพลย์โดเครื่องของม้เพลย์แต่แต่มันธรรมดามันก็จะเพลย์ตรงนั้นเลยแต่เฉพาะของเมื่อวเี่ยเฉพาะของเ่อวนนี้มันไปเข้าไปหน้า youtube เลยเข้าไปอีกแต่เป็นเรื่องปกติ เออหน้าหน้าเก่าก็ยังอยู่แต่มันไม่เล่นมันไม่เล่นอาจจะลืมตั้งค่าอะไรหรือเปล่าบางอย่างไม่น่าใช่ครับอาจารย์ก็ทำเหมือนเดิมทุกอย่างพอเวลามันมันมันมันเวลาเราจะลิงก์ไปไหนมันมีให้ทางเลือกว่าเปิดหน้าใหม่เรือกว่าเอาเอาเอาหน้าเก่ามันมีที่บางทีเราเผอไปไปตั้งค่าใหม่หรือเปล่าไม่แต่ก็ไม่ไม่มีปัญหาหรอกก็ เพแต่สงสัยทั้งนี้ว่ามีเจตนาที่จะทำมันหรือเปล่าอารย์ที่มื่อี้ที่อาจารยพูว่าทั้งเพราะว่าถ้าอยู่ทั้งทางโลกและทาทําต้องเลือกไม่งั้นก็อยากเข้ามาทางอยากมาอยากเข้ามาทาธรรมโดยะเสียเป่าอะราเลียความหมายคือนะ อ๋อไม่เราก็พูดแบบประชดประชันเนี่ยอะไรอะไรไม่รู้เหรอเออดวงปัญาหน่อยสักหน่อยเวลาลูกขอพระเจ้าก็จะก็คนที่ก็คนที่เขาไม่มาสนใจเขาก็มันเต็มที่เลยทําอะไรทําบาปได้เต็มที่โลภได้เต็มที่อยากจะทําอะไรก็ทําได้เต็มที่เลยแต่ผลมันก็เต็มที่เหมือนกัน ถ้าบุตม่มีธรรมมเนียวมันก็จะเละปุ๊บเป๊ะมากกว่า น, นี้ก็ น, นั่นแหละก็คนที่ไม่มีธรรมก็ก็เป็นอย่างนั้นแต่เขาก็หาทรัพย์ได้อย่างเต็มที่เลยรวยก็รวยอย่างเต็มที่ได้นะแต่ถ้ามามีธรรมานี่แหมมันก็จะทํำนาทีมันวุ่นวายไหมะจะซื้อหุ้นแต่ละตัวนี่มันนีา่าจะไหม ท่านดีเยอะสอมาก ท, ท่านระวังศีลเพราอศีลมันก็เป็นเหมือนเหมือนเหมือนเอนกราะคุม้มป้องกันเหมือนกับเวลาที่ตำรวจเข้าไปจับผู้ร้ายเขาก็ต้องใส่เสื้อเกราะใช่ไหมเพราะว่าเวลาต่อสู้กันเรจะได้ปลอดภัยศีนก็เป็นเหมือนเสื้อเกราะนี่ถ้าเรามีศีลแล้วเราก็ไม่ไปอับอายอะะา ก, ก็เพราะท่านเห็นอบายพวกเราไม่เห็นกันไงพวกปุถุชนนี่ไม่เห็นอบายกัน ไม่รู้ว่าอบายเกิดจากการทำบาปแต่พระอริยาเจ้าทุกองค์นี้เห็นอบายกันท่านถึงรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตรังก็ไม่ได้ว่าเราเป็นอะไรเราก็พูดไปตามที่เราเคยศึกษาเคยได้ยินมา <c oughs> <c oughs> ครับอาจารย์ครับถ้าในเวลาปฏิบัติเนี่ยถ้าเรามีเวลานั่งสมาธิอย่างน้อยหนึ่งหนึ่งชั่วโมงนะครับเราควรที่จะเปิดธรรมะควบคู่ไปด้วยหรือว่า เราควที่จะนั่งสมาธิไปอย่างเดียวเลยครับได้ทั้งสองอย่างครับการเปิดธรรมานี่เป็นเพราะบางทีนั่งไม่ได้เนีนั่งแล้วมันฟุ้งก็เลยใช้การฟังธรรมกล่อมใจไปก่อนอยังไม่ไม่ได้ขัดกันไม่ขัดถ้าถ้านั่งได้เลยก็นั่งไปเลยแต่อยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรเพราะเป็นได้ผลต่างกันถ้าเราอยากได้ความรู้ได้ปัญญาแล้วต้องเราก็ต้องฟังธรรมถ้าเราต้องการความสงบความนิ่งของใจเราก็ต้องนั่งสมาธิ แต่ถ้าเรานั่งสมาธิแล้วมันไม่นิ่งมันฟุง้งเราก็ต้องใช้การฟังธรรมเป็นอุบายก่อมใจไปก่อนพปควบคู่กันขนาดนั่งเลยเแต่เวลานั่งสมัยเวลานั่งสมาธิแล้วเปิดธรรมะล้วก็ต้องฟังธรรมะไม่ใช่นั่งไปเปิดธรรมะไปแล้วก็พูดโทพูดโทแข่งกันไปอย่างนั้นมันจะชนกันเพราะว่าบางที่ที่ผมฟังมาก็คือมีความสงสยัยก็คือเป็นการบริกรรมแล้วว่าจิตเนี่ยเข้าไปกับกระแสธรรมเป็นเนื้อเดียวกันผมก็เลยงงว่าสรุปแล้วว่าต้องพูดโทไปด้วยหรือว่าฟัง ต้องฟังอย่างเดียวเพราะางั้นมันจะชนกันไงเสียงธรรมะกับการบริการพุโทโธของเรามันจะชนกันแล้วมันจะไม่เข้าหากันถ้าอยากจะใช้ธรรมะเป็นเครื่องกรอบก็ฟังธรรมะเป็นเสียงธรรมะนี้แทนพุโทโธได้ให้ให้ฟังและคิดตามหรือฟังในความสงบครับอาจารได้สองอย่างถ้าเราคิดตามได้ก็จะได้ปัญญาถ้าคิดตามไม่ได้ฟังแต่เสียงไปเหมือนกับพุโทโธ มันก็จะทำให้ใจสงบการคนฟังเทศน์นี่มีหลายระดับนะบางคนอยู่ระดับสมาธิก็ใช้ใช้ฟังเสียงไปช่วยกล่อมใจให้สงบคนที่อยู่ในระดับปัญญาก็จะพิจารณาตามเพื่อจะหาเหตุหาผลเพื่อที่จะได้มาดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจให้ได้ถ้าพิจารณาตามเหตุตามผลได้แล้วก็จะจะ จะทําให้ใจดับความทุกข์ได้อย่างที่เมื่อกี้บอกว่าให้สละสามีให้สละภรรยาไปถ้ามีความวิตกกังวลห่วงสามีห่วงภรรยาก็ตัดไปเลยยกให้ก็ไปเลยพอยกไปใจก็จะโล่งขึ้นมาทันทีขณะที่ฟังก็จะบรรลุได้เลย<ก><ก>นั่นแหละบรรลุบรบรลุอย่างนั้นใจมันโล่งมันรู้ว่ามัน คือมั น, มนไม่บรรลุข้างไหนมันบรรลุตัวนี้ตัวปัญหาตัวนี้ที่เราทุกเราวุ่นวายใจพอเราได้รับคําแนะนําจากการฟังเทศฟังธรรมแล้วเราเห็นเห็นเหตุเห็นผลแล้วก็ทำนะเอ้ที่เราทุกเพราะเราหวงเนี่ยถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปหวงมันอยกให้เขาไปเขาอยากจะไปให้เขาไปามันก็จะหายทุกข์ขึ้นมาอาจารย์ย ค, รครับหลายขั้นครับนั่งแล้วก็ได้กล่อสมบูรณ์อาจาร พอสักระยะมันก็จะเกิดเวทนาที่มาจากาโยมโยมก็คนคนดูนะครับผมที่หน้าตาบางทีก็จะทนไม่ไหวก็ก็จะเลิกเลิกลาไปที่ทนไม่ไหวเพราะใจเราไม่อยากจะรับรู้มันใจเราอยากจะให้มันหายไปหรืออยากจะหนีจากมันไปทนไม่ไหวเออทนไม่ไหวเพราะเกิดความอยากไงเกิดความอยากให้มันหายไปหรืออยากจะหนีจากมันไป ถ้าเราอยากจะนั่งต่อไปได้เราก็ต้องอยาบไปให้เกิดความอยากอันนี้วิธีที่ทาให้ไม่เกิดความอยากอันนี้ก็มีสองวิธีวิธีของสมาธิก็คือให้บริกรรมพุโทโธไปให้ถี่เลยอย่าไปรับรู้กับความเจ็บของร่างกายถ้าอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปเดี๋ยวใจมันปล่อยปล่อยเวทนาปั๊บมันก็จะหายทุกหายเจ็บเมื่อมันก็จะนั่งต่อได้อีกวิธีหนึ่ง อันนี้วิธีต้องปัญญาก็ต้องมีสมาธิแล้วถึงจะพิจารณาได้ก็คือพิจารณาว่ามันเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นอยู่เราไม่สามารถที่จะไปไปสั่งให้มันเป็นอย่างอื่นได้ไม่สามารถสั่งให้มันหายไปได้มันเป็นอนัตตาเหมือนกับเสียงลมเสียงเสียงลมพัดหรือเสียงอะไรต่างๆเวลาเราได้ยินนี่ถ้าเราไม่มีความอยากเราก็จะฟังมันได้อย่างสบาย แต่ถ้าเรามีความอยากให้มันหายไปอยากให้มันเงียบเนี่เราก็จะวุ่นวายใจขึ้นมาเพรฉนั้นถ้าเรายอมรับความเจ็บว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นเหมือนเสียงเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศฝนตกแดดออกเราไม่สามารถที่จะไปขับไล่สายส่งให้มันหายไปได้เราอยู่กับมันไปเราทำใจเฉยกับมันมันจะอยู่ก็อยู่ไปถ้าเราไม่มีความอยากให้มันหายไป เราปล่อยวางได้เรายอมรับว่ามันเป็นอนัตตาเหมือนกับเรารับเวลาฝนตกนี่เราเราไม่ไปวุ่นวายกับฝนเราไม่ได้ไปอยากให้มันหยุดมันเราก็จะไม่มีความทุกข์ใจเราก็จะอยู่กับสภาพนั้นได้เช่นเดียวกับเวลาเรานั่งแล้วเจ็บถ้าเรายอมรับกับสภาพว่ามันต้องเป็นมันเป็นอย่างนี้เราไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้พอเรายอมรับใจปล่อยได้มันก็จะเฉยกับมัน อยู่กับมันได้อันนี้ก็ต้องฝึกพิจารณาไปดูไอ้แม่เสียงเครื่องบินมาอย่าเงี้ยเราก็ไม่ได้ไปวุ่นวายกับมันแต่ถ้าเราอยากจะให้มันไม่มีเสียงเครื่องบินใจเราจะจะเดือดร้อนขึ้นมา ท, าทมันทีได้ยินแต่ไม่เดือดร้อนไงอันนี้เราไม่เดือดร้อนกับเสียงไงใจไม่ไปวุ่นวายไม่ไปอะไรกับเขาไม่มีปฏิจริยากับเขา แต่เราเวลามีความเจ็บนี่มันเป็นอัตโนมัติเราจะมีปฏิกิริยากับมันทันทีอยากจะให้มันหายทันทีนี่เราต้องมาฝึกอยู่กับมันให้ได้เหมือนกับพัดกินพริกอ่ะคนที่ไม่เคยกินพริกใหม่ๆกินก็เผ็ดไม่อยากจะกินแต่พอกินไปเรื่อยๆพอชนานาญแทีนี้อร่อยแล้ว mm hmm. พอเวลาไม่มีพริกกินนี่กินไม่ได้ละไม่อร่อยคนที่เขาชอบกินพริกเขาไม่เรือร้อใช่ เผ็ดขนาดไหนก็กินได้สบายเอาพริกขี้หนูสี่ห้าเม็ดใส่ปากเคี้ยวอย่างเฉยเลยไอเราเพียงแตะไปครึ่งเม็ดนี่โอ้โหมันเหมือนไฟไหม้ปากนะมันอยู่ที่ความเคยชินเนี่ยเราให้เราฝึกให้มันชินกับการความเจ็บของร่างกายแล้วต่อไปใจมันก็จะจะไม่ต่อต้านพอไม่ต่อต้านแล้วใจก็จะไม่ทุกข์ที่ทุกข์เพราะใจต่อต้าน ต่อต้านก็คือความอยากนี่อยากให้มันหายไปเป็นวิภาวะตัณหาเนี่ยเราต้องหยุดตัวนี้ให้ได้หยุดการต่อต้านเนี่ยเราต่อต้านความแก่ต่อต้านความเจ็บต่อต้านความตายกันเราคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายก็ไม่สบายใจขึ้นมาเราต้องยอมรับ ว, ว่ามันเป็นเป็นความจริงของของชีวิตของสิ่งที่ที่เราจะต้องเจอมันเหมือนกับฝนตกแดดออก เราไม่ต่อต้านฝนตกแดดออกเราก็เลยไม่มีปัญหากี่ับเรื่องฝนตกแดดออกแต่เรายังต่อต้านเรื่องความแก่ความเจ็บความตายอยู่มันก็เรายังมีปัญหาอยู่ที่มาภาวนามาสอนใจก็เพื่อสอนให้ใจมายอมรับความจริงอันนี้เรียกว่าปัญญาให้พิจารณาว่าเป็นอนิจจังเกิดแก่เจ็บตายเป็นอนัตตาห้ามไม่ได้หนีไม่ได้ต้องเจอแน่ๆ จะให้เจอแบบใจดีสู้เสือแล้วจะไม่จะไม่เจ็บเสือจะไม่กัดหรือจะไม่ทุกถ้าเรารับรู้เฉยๆเอาแก่ก็แก่เจ็บก็เจ็บตายก็ตายมันก็จะเป็นเพียงส่วนของร่างกายเท่านั้นเองแต่จะมันไม่เข้ามาถึงใจเราเพราะใจเราไม่ไปเอาเข้ามาในใจเรานี่คือทางปัญญาแต่การที่จะใช้ปัญญาได้ใจต้องมีสมาธิก่อน เพราะถ้าใจไม่มีสมาธินี่มันมันเบาเหมือนปิวเอปุยนุ่นเวลาอะไรนะกระทบปั๊บมันปิวไปแล้วพอความเจ็บโผล่ขึ้นมานี่ยตึงทนไม่ได้แหละแต่ถ้ามีสมาธิแล้วเนี่ยมันเจ็บมันมันก็จะทษมันก็จะทนไปได้ในระดับหนึ่งแล้วเวลานั้นเราก็ใช้ใจใช้ปัญญามาสอนใจว่าเอปล่อยวางมันนะต้องอยู่กับมันนะอย่าไปอยากให้มันหายมันจะอยู่ก็อยู่มันจะหายก็หาย แต่เราอย่าไปยุ่งกับมันแล้วเราก็จะอยู่กับมันได้ต่อไปพระอาจารย์ครับการพิจารณาร่างกายในท่านั่งสมาธิครับพระอาจารย์เป็นปัญญาหรือเป็นสมถะครับพระอาจารย์คือการพิจารณามันเป็นปมันเป็นปัญญาอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันมีปัญญาสองระดับไงเรียกว่าปัญญาระดับจินตามัยะปัญญากับระดับภาวนามยจปัญญาจินตาก็คือเหมือนกับการทําการบ้าน เราพิจารณาร่างกายว่าต้องตายอย่างนี้แต่มันยังไม่ได้เจอของจริงยังไม่ได้เข้าห้องสอบเตรียมตัวไว้ก่อนคิดไว้ก่อนว่าร่างกายนี้จะต้องตายต้องตายแล้วเวลาไปหาหมอหมอบอกว่าเออเนี่ยตายแ น, น่ๆเหลืออีกสามเดือนฮตอนนั้นก็จะได้รู้ว่าใจปล่อยวางได้รับความตายได้หรือไม่ถ้ารับความตายได้ก็เฉยไ ม, ไม่เดือดร้อนอันนั้นหลัถึงจะเรียกว่าเป็น ปัญญาที่แท้จริงกอปัญญาที่ดับความทุกข์ได้แต่ถ้าเป็นจินตามายะปัญญานี่เวลาไปหาหมอหมอบอกเป็นมะเร็งเนี่ยใจก็ทุกข์ขึ้นมาอันนี้แสดงว่ายังไม่มีภาวนามยะปัญญาแต่ถ้ามีภาวนาไมยะไมยะปัญญาพอหมอบอกปับ๊บก็รู้อยู่แล้วไม่ต้องมาบอก <c oughs> เคยได้ยินได้ฟังหลายครั้งครับพระอาจารย์เกี่ยวกับบางทีเขานั่งสมาธิแล้วเขาบอกว่าเห็นร่างกายเห็นเส้นเอ็มเห็นอะไรเงี้ยก็เห็นได้ในส่วนใหญ่มันจะเป็นเห็นแบบทําการบ้านเนี่ยเห็นเตรียมเตรียมการไว้ก่อนแต่บางครั้งเวลานั่งแล้วเกิดมีนิมิตว่ามีคนจะมาทิ่มแทงเราจริงๆนี่แล้วเราปล่อยได้จริงๆเหมือนก็เป็นภาวนาเมตตาปัญญาได้จริงๆจริงบางทีนั่งไปแล้วผีอ้มมาล็อกคอยก มันจะมาทาอะไรก็เอามันจะทำอะไรก็ทำไปเราไม่ต่อต้านยอมตายมันก็แสดงว่ามันเป็นปัญญาจริงเพราะมันทุกข์จริงแล้วมันดับความทุกข์ได้จริงๆมันก็อย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นเป็นปัญญาจริงแต่ถ้านั่งเฉยๆไม่มีความทุกข์ไม่มีอะไรเห็นว่าเราจะตายเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรใช่แต่ถ้ามันรู้ว่าจะต้องตายจริงๆเนี้ย นั่งเครื่องกับตันบอกเตี๊ยมโมเตรียมตัวส่วนบนกันนะครับตอนนั้นนะมันถึงได้เจอของจริงจะได้รู้ว่าปัญญาที่เรามีอยู่นี่เป็นปัญญาจริงหรือไม่จริงถ้าปัญญาจริงก็เฉยอ่ะปล่อยวางใจเย็ยนสบายไม่ไม่ไปแบกกับรา่างกายก็เหมือเารู้แบบเราจะแก้ยังไงไหมว่าแบามวีเราครุงสาัาน ค่านเรรือองงขก็นั่นไม่มีสติไงถ้าเรามีสติเขาพูดโทมันก็ไม่ฟุ้งกับใครทั้งนั้นเราปล่อยให้ใจเราไปรับรู้เรื่องคนอื่นแล้วก็เอามาคิดไม่มีสติไม่มีปัญญาถ้ามีสติมีปัญญามันก็จะปล่อยได้เรื่องของชาวบ้านไม่ใช่เรื่องของเราพอจะเริ่มทุกข์ปั๊บถ้ามีปัญญามันรู้ทันทีว่าออ่เราไปแบกแล้วเราไปยึดไปติดแล้ว แต่ถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญามันก็ฟุ้งไปอย่างเงี้ย น, นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีเครื่องมืออะไรที่จะดับมันถ้ามีสติก็ใช้สติดับไปก่อนพุโทโธพุโทโธไปก่อนถ้ามีปัญญาก็พิจารณาด้วยปัญญาแล้วก็ปล่อยวางได้การการเอาตัวเราอ่ะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นเนี่ยครับอาจารย์เพื่อ<ม>เพื่อทดสอบตัวเราเองว่าจิตเราเนี่ยจะตามเรื่องราวต่างๆได้แค่ไหนเนี่ยเหมาะกับผู้ที่มีสติ ระดับหนึ่งใช่ไหมครับอาจารย์แต่ไม่เหมาะกับคู่ที่ยังมีสติน้อยใช่ไหมครับอาจารย์มันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราต้องการจะทำอะไรต้องการทดสอบแล้วก็ไปทดสอบได้แล้วก็จะรู้ผลว่ามันเราเราทำได้หรือไม่ได้เพราะว่าในที่สุดเราก็ต้องพิสูจน์เราต้องเข้าห้องสอบกัน เพราเวลาที่เราปฏิบัติอยู่ตามลําพังนี้มันเป็นเพียงการทําการบ้านเป็นส่วนใหญ่เรายังไม่ได้เจอเหตุการณ์จริงบางทีเราก็ต้องการทดสอบเหตุการณ์จริงเช่นพระที่ท่านพิจารณาความตายพอทั้งที่ว่าท่านยอมรับความตายได้ท่านก็ต้องไปหาสนามสอบก็ไปหาที่มันน่ากลัวที่มีภัยที่อาจจะทําให้เกิดความตายขึ้นมาได้แล้วก็จะดูว่าใจของท่านอ่า นิ่งหรือไม่นิ่งปล่อยได้หรือไม่ได้อันนี้ต้องอยู่พูดปฏิบัติจะต้องรู้เองว่าตนเองพร้อมหรือไม่พร้อมที่จะเข้าห้องสอบถ้ายังไม่พร้อมไปเข้าเดี๋ยวไปเจออะไรขึ้นมาก็สติแตกได้ใจใจใจสั่นขวัญแข ว, น ข, ว น, ขนขึ้นมาได้อันนี้แต่ละคนก็ต้องรู้รู้รู้ระดับความสามารถของตนว่าทําการบ้านมาพร้อมหรือ ย, ยังที่ไปกับ ถ้าเราปเยี่ยมคนไปโรงพยาบาลอะเเขาแบบเจ็บหนักอะไรเงี้ยกับมาแล้วรู้สึกว <c oughs> ่าก็สอนแสดงว่าเราสอบตกเลยถ้ามีความรู้สึก <c oughs> ส, สบบอบตกนั่นแหละก็แสดงว่าเราเราไม่เห็นเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราไม่ยอมรับมันเรายังอยากให้ทุกคนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บกล้ได้ป่วยอยู่เราสสารเรื่องสงสารคนเราเรื่องกัน นัง่งสงสารมันเป็นเรื่องอเรื่องของความรู้สึกที่เราอยากจะให้เขาไม่เป็นอย่างนี้แต่ความสงสารสนี่มันจะไม่ได้ทําให้เราโหดเท่าก็สงสารนี้วยแล้วก็รับความ จ, วจริงด้วยแต่ว่าเราก็อยากให้เขาดีอย้วก็สงสารแล้วถ้าเราช่วยเขาได้ก็ช่วยเช่นถ้าเขาไม่มีอค่าใช้จ่ายในการ อจ่ายค่าอยู่ค่ายาหรือค่ารักษาเราช่วยเขาได้เราก็ช่วยเขาไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสงสารแต่เรื่องของความโอทูมันเรื่องของกิเลสเรื่องของความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายที่สังขารเวลาที่เขาเป็นเยี่ยนคนปวยนี่อนที่เราเห็ น, าานทางแลนดนไม่รู้ว่สักแต่เราเห็นหลังจากนั้นเป็นคนแต่งก็แล้วแต่เราเราจะปรุงหไม่ปรุงอ่ะ เห็นสักแต่ว่าเห็นไปตลอดเลย ว, ว่าจะไปปรุงก็เรื่องของเราปรุงไปเองอะไรอย่างนี้ก็เลยทําให้ความรู้สึกเข้มข้ก็แสดงว่าคุณไม่มีสติก็คุมความคิดปรุงแต่งของคุณปล่อยให้มันคิดไปในทางวิภาวะตั์หาถ้าคุณมีสติมีปรรัญญามันก็จะคิดว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันก็จะไม่หดหูมันก็เฉยเฉยไปเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาไป มีเกิดก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายตามมาไม่มีความอยากก็ไปเกี่ยวข้องด้วยรู้เฉยๆแต่ถ้าโดยที่มุงไปเพื่อที่จะเอาตัวนั้นเป็นตัวข้อสอนตัวเราว่าอีกนั้นก็เป็นอย่างเขาถ้าเราเป็นเขาอย่างเ้าตอนนี้เราจะพร้อมไหมอี้โอเคก็ก็เป็นเป็นเป็นวิธีที่เราจะสร้างปัญญาขึ้นมา เราต้องพิจารณาเอาเขามาเป็นตัวอย่างแล้วก็น้อมเข้ามามาที่ตัวเราว่าต่อไปเราก็ต้องเป็นอย่างนี้แล้วดูเสีวา่าใจของเรารับได้หรือรับไม่ได้ถ้ารับไม่ได้ก็แสดงว่ายัางยังไม่เห็นความจริงแต่ถ้ามันกลถึงว่าพอพอพอสูงสี่เหรอเออถ้าเกิดเป็นเราต้องใจตอนนี้เี่ยเราพอจะพอใจได้ ก็นั่นแหะถ้าเรายอมรับได้เราก็สบายแสดงว่าเราสอบผ่านถ้าเรารับไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังสอบไม่ผ่านสุดสุดเลไม่จะถามไปว่าเวลาเราไปงานสมเนี่ยถ้าเป็นเราตอนนี้เราตายตอนเนี้ยเราจะห่วงอะไรไหมมีกังวลอะไรไหมเออรามเรือมหมอไม่ยังเออแล้วได้คําตอบหรือยังตอบ่ยังเป็นขนาดขนะดก็คือก ถึงว่าไปก็ต้องวางว่าก็ต้องรอรอเวลาเจอเหตุการณ์จริงถึงจะรูจริงเตรียมไว้ก่อนทาการบ้านไปก่อนถ้ายังไม่ไม่ยังไม่แน่ใจก็แสดงว่ายังไม่ได้เข้าห้องยังไม่สอบไม่ผ่านถ้าแน่ใจแล้วว่าไม่กลัวตายแล้วอย่างนี้ก็ผ่านจะต้องมัาตัวอพร้อมอย่างเงี้ยู่้องไปกคนที่กวาเกิดจากความที่ว่าความอยากอยู่ไงความหลงไงคี่ว่าร่างกายเป็นตัวเรา ความจริงเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่เราไม่เห็นอันนี้ความหลงหลอกให้เราผูกตัวใจเราไปอยู่กับร่างกายพาร่างกายเป็นอะไรเราก็คิดว่าเราเป็นเป็นไปกับร่างกายแต่ความจริงเราไม่ได้เป็นอะไรกับเขาเลยจ่างแก้คือว่าต้องภาวนาเยอะๆอานาสอนใจให้แยกใจออกจากร่างกายสอนจะทั้งไม่ลืมไม่เผลอทุกเวลานาที ปอวางได้ทุกเวลานาทีเอาแล้วะนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความจเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ ไม่ได้ที่หนึ่งนะขงดีๆโดไม่เอากันแต่าสอบที่หนึ่งไม่เอากัน